บัดนีจ้จกได้แสดงธรรมกถาสืบอต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอหัวข้อที่10ผู้มีความสุขในโลกหน้าพระพุทธภาสิทธ์พระองค์ตรัสว่านเวกทธริยาเทวโล ก, กังวชันติภาลาหาเว นัปสังสันติทานังทีโรจัานังอนุโมทมาโนเตเนวโสโหติสุขีปรตฐคนตรณีจะไปเทวโลกไม่ได้เลยคนผ่านทั้งหลายย่อมไม่สลรเสรินทานแต่นักปราดอนุโมทนาทานอยู่ย่อมเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะการอนุโมทนานั้นอธิบาย คนตรณีคือคนที่แม้จำเป็นก็ไม่ยอมใช้ทรัพย์ตามความจำเป็นนั้นตรงกันข้ามกับคนฟุ่มเฟือยซึ่งใช้จ่ายทรัพย์โดยไม่จำเป็นส่วนคนมัธยัตนั้นคือคนที่เมื่อจำเป็นจึงใช้ทรัพย์ไม่จาเป็นไม่ใช้จ่ายคนประหยัดคือคนที่ใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ของคุ้มค่าคุ้มราคารู้จักซ่อมแซมพัสดุที่คล่าค่า รู้จักแสวงหาพัสดุที่หายไปความตระหนี่และฟุ่มเฟือยจึงไม่ดีส่วนความมัธยัติและประหยัดนั้นดีบางคนหาความสุขจากการมองดูทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นมีความทุกข์ใจเมื่อจ่ายออกไปอย่างนี้แหละคือลักษณะของคนตระหนี่ทรัพย์ของเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ใคร เหมือนน้ำอยู่ในป่าลึกซึ่งมนุษย์ไปไม่ถึงหรือเหมือนน้ำเค็มแม้มากก็ดื่มไม่ได้ท่านจึงว่าทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมากมีตรนีในดื่มไม่ได้น้ำสมุทรมันสุดเค็มความตรนีลาบเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาด ไม่ยอมหวานพันข้าวลงในนาเก็บพันข้าวปลูกควายจนเน่าเปื่อยไม่สามารถปลูกได้อีกทรัพย์สมบัตินั้นบางทีมันก็จากเราไปเพราะภัยต่างๆมีอักขีภัยเป็นต้นบางทีเราก็จากมันไปก่อนเพราะความตายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารบเรื่องนี้ทรงแสดงไว้ว่านกชื่อไมฮักกะวงเล็บนกของกู มักเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเรียบต้นเรียบนี่ก็เป็นเป็นส่ชนิดหนึ่งที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่อย่างนั้นนั่นเองหมูนกเหล่าอื่นบินมากินผลเรียบตามปรารถนาแล้วจากไปนกไมฮกะนนั้นก็คงร้อง ของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทางมิได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวแต่เฝ้ารักษาและภูมิใจอยู่ว่าของกูมีของกูมีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนั้นโจรบ้างทายาตอันไม่เป็นที่รักบ้างมานาทรัพย์นั้นไป วงเล็บหรือทรัพสมบัติพินาศผุพังไปเองเหมือนผลเลียบแม้นกไม่มากินมันก็สุกลนไปเองเมื่อนั้นเขาก็คร่ำครวญและคงคร่ำครวนว่าของกูของกูอยู่อย่างเดิมเพราะฉะนั้นคนฉลาดเมื่อหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นเมื่อทําได้ดังนี้เขาย่อมได้รับเกียรติและเมื่อล่วงลับไปแล้วย่อมเข้าถึงสุขคติบันเทิงในสวรรค์ คนตรนีไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมแม้ร่ำรวยก็หาบริวารไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่แต่ไม่มีใบอันเป็นร่มเงาใครเล่าจะเข้าไปอาศัยเขาต้องอยู่อย่างวาเวเดียวดายบรรพชิตหรือขันหัดผู้ตรนีได้ทรัพย์มาแล้วเก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างเป็นเหมือนน้ำตายไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและสกปรกเน่าเหม็นง่าย ส่วนผู้ไม่ตรีเหมือนน้าที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคนตรีมักมีกิเลสอีกอย่างหนึ่งตามมาคือความริษยาเห็นใครได้ดีทนไม่ได้และตามมาอีกอย่างหนึ่งคือความโลภทยานอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดคนที่ตรีที่เหนียวขี้ริษยาและโลภจัดจะไปสวรรค์ได้อย่างไรลองคิดดูเถิด พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนตันีไปสวรรค์ไม่ได้ข้อว่าคนพานไม่สารเสวนทานนั้นอธิบายว่าคนพานไม่เชื่อเรื่องบาปบุญโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะความไม่เชื่อนี้จึงเห็นไปว่าการให้ทานเป็นการเสียเปล่าไม่มีผลตอบแทนอะไรเป็นการยอมเสียเปรียบอย่างโง่งเขลา เพราะเหตุนี้คนพาลจึงไม่สรเสริญทานนอกจากนี้เห็นใครให้ทานยังตาหนิเสียอีกข้อว่านักปราดย่อมอนุมโมทนาทานนั้นมีนัยยะที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วในเรื่องคนพาลเพราะการทำทานเองบ้างอนุมโมทนาทานบ้างเขาย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเสตวันะวิหารเมืองสาปถีปรารบ สาทิสทานวงเล็บทานที่ไม่มีใครทําได้เหมือนของพระเจ้าปเสนธิโกศลมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีพระเจ้าปเสนธิโกศลทูลาราตนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แล้วถวายอาคันตุกทานอย่างประณีตทรงประกาศให้ชาวนครมาดูทานของพระองค์ วันรุ่งขึ้นชาวนครทูลอาราธนาพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปเสเวยและฉันอาหารของพวกตนแล้วทูลให้พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรทานของตนพระราชาทอดพระเนตรเห็นทานอันมโหฬารของชาวนครแล้วทรงถวายทานอีกทําให้ยิ่งกว่าที่ชาวนครทำชาวเมืองก็ไม่ยอมแพ้รวมกําลังกันถวายทานให้ยิ่งกว่าที่พระราชาถวายรวมความว่าทําบุญแข่งกัน ในที่สุดพระราชาสู้ไม่ได้เพราะประชาชนมีมากด้วยกันจึงบันทมเป็นทุกอยู่พรางทรงดำริว่าทําอย่างไรจึงจะถวายทานให้ชนะชาวนครได้พระนางมลิกาอัครมเหสีเสด็จเข้าไปเฝ้าทรงทราบถึงความโทมนัสของพระราชาแล้วทูลอาสาจะจัดทานถวายเองและจะให้ชนะชาวนครให้ได้ พระนางขอให้พระราชารับสั่งให้คนจัดดังต่อไปนี้ให้ทํามนดบสําหรับภิกษุ500รูปภายในวงเวียนมนดบนั้นทําด้วยใบสาละและไม้ขานางภิกษุที่เกินจํานวน500นั่งนอกวงเวียนให้ทําสเวตฉัตห้าร้อยคันจัดหาช้าง500เชือกสําหรับถือสเวตฉัดกั้นภิกษุ500รูปเหล่านั้น ขอให้ทำเรือทองคำแปดลำหรือสิบลำไว้กลางบนดบให้เจ้าหญิงองค์หนึ่งหนึ่งนั่งบทของหอมอยู่ระหว่างภิกษุทุกทุ ก, ทกสองรูปองเล็บคือเจ้าหญิงองค์หนึ่งต่อภิกษุสองรูปและเจ้าหญิงองค์หนึ่งหนึ่งยืนพัดภิกษุสองรูปเจ้าหญิงลอกนี้มีหน้าที่นำของหอมที่บทแล้วมาใส่ในเรือให้จัดเจ้าหญิงเป็นพวกพวกบางพวกถือกาดอกบัวเขียว ไปเค้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคาแล้วนำไปถวายภิกษุให้ภิกษุรับเอาไปอบเรื่องที่จัดเจ้าหญิงให้มาร่วมในการถวายทานนี้ก็ด้วยทรงดำริว่าชาวนครไม่มีเจ้าหญิงเป็นเครื่องประกอบในทานเป็นอันได้ชนะชาวนครไปได้เรื่องหนึ่งสวตสดิชัดของชาวนครก็ไม่มีช้างจานวนมากเช่นนั้นก็ไม่มี พระราชารับสั่งให้ทำตามที่พระนางมาลิกาทรงแนะนำปัญหามาติดอยู่ที่เรื่องช้างคือช้างไม่พอความจริงพระราชามีช้างเป็นจํานวนพันแต่ช้างที่เชื่องพอจะนำมาถือสวตฉัดได้มีเพียง499เชือกขาดไปเชือกหนึ่งนอกจาก499เชือกแล้วเป็นช้างดุร้ายทั้งนั้น พระราชาทรงปรึกษาพระนางมาริกาเกี่ยวกับเรื่องนี้พระนางมาริกาถวายความเห็นว่าขอให้เอาช้างเชือกที่ดุร้ายนั้นไปถือสเสวตฉัดให้พระคุณเจ้าองค์คุริมานพระราชารับสั่งให้ราชบุตรทำเช่นนั้นเมื่อช้างที่ดุร้ายเข้าใกล้พระองคุริมานมันสอดหางเข้าไปในระหว่างขาของมันปลบหูทั้งสองยืนหลับตานิ่งอยู่ ก, กัวมนเนาะมหาชนต่างมองดูช้างดุที่ยืนหลับตาอยู่ใกล้พระเถระและชมว่าพระคุณเจ้าองคุริมานมีอานุภาพถึงป่านนี้พระราชาทรงอังคาภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยอาหารอันประนีตและด้วยพระหฤทัยอันอิ่มเอิบถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่า สิ่งทั้งปวงในโรงทานนี้ทั้งที่เป็นกัปปิยะพันธ์และอกัปปิยะพันธ์วงเล็บคือสิ่งที่ควรแก่สมณะและไม่ควรแก่สมณะหม่อมชันขอถวายพระองค์ทั้งสิ้นในทานนี้พระราชาทรงสละทรัพย์14โกดหมดในวันเดียวของสอย่างคือสเสวตชัดหนึ่งบัรลังสำหรับนั่งหนึ่งเชิงบาทหนึ่งตังสำหรับเช็ดเท้าหนึ่ง ที่พระราชาถวายพระศ า, าสดานั้นเป็นของหาค่าไม่ได้คือค่าสูงจนไม่อาจคำนวณได้ทานดังกล่าวมานี้ไม่มีใครสามารถทำได้อีกวงเล็บในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกทานอย่างนี้ว่าอสสทิสทานคือทานที่ไม่มีใครทำได้เหมือนท่านกล่าวว่าอทิสทานนี้มีแก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่พระองค์ละครั้งเท่านั้น สตรีย่อมเป็นผู้จัดแจงทานนี้เพื่อพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เมื่อพระราชาทรงบำเพ็ญอาศาิสถานอยู่อย่างนี้มหาอมารคคนหนึ่งชื่อการะรู้สึกเสียดายพระราชทรัพย์เหลือประมาณเขาคิดว่านี่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่ ง, งราชตระกูลทรัพย์ถึง14โกดหมดในวันเดียวภิกษุทั้งหลาย บริโภคอาหารที่พระราชาถวายด้วยศรัทธาแล้วก็อนอนหลับไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ราตระกูลชิบหายเสียแล้วส่วนอมตะอีกคนหนึ่งชื่อชุนหะคิดว่าโอ้ทานของพระราชายิ่งใหญ่น่าเลื่อมใส ย, ยิ่งทานอย่างนี้ผู้ที่ไม่เป็นพระราชาไม่อาจทำได้พระราชาย่อมต้องทรงแบ่งส่วนบุญให้แก่สัตว์ทั้งหลายเราขออนุโมทนาบุญนั้น เมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จพระราชาทรงรับบาทเพื่อให้พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาพระศาสดาทรงดำริว่าทานของพระราชาครั้งนี้เป็นประดุจพ่วงน้ำใหญ่มหาชนมีจิตเลื่อมใสหรือไม่หนอทรงทราบวารจิตคือความคิดของอมตะทั้งสองแล้วทรงทราบว่าถ้าจะทรงทำการอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาในครั้งนี้ สีะของการะอัมมาตจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงส่วนชุนหาอัมมาตจากดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในการะอัมมาตนั้นจึงตรัดพระคาถาเพียงสี่บาทเท่านั้นอนุโมทนาทานของพระราชาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จไปสู่วัดเชตะวัน ภิกษุทั้งหลายถามพระองค์คุริมานว่าไม่กลัวหรือที่ช้างดุร้ายอย่างนั้นยืนถือเสเวีตจะฉัดให้พระองค์คุริมานตอบว่าไม่กลัวภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระองค์คุริมานพยากรอรหัตผลอวดตนว่าเป็นพระอรหันต์ไม่กลัวช้างดุร้ายเห็นป่านนั้นพระศาสดาตรัสรับรองว่าพระองค์คุริมานไม่กลัวจริงเพราะภิกษุเช่นพระองค์คุริมานเป็นผู้วกล้า เส้นโคอุสุภราชในระหว่างโคคือพระขีนาศพทั้งหลายเป็นผู้ชนะอย่างประเสริฐแล้วไม่หวั่นไหวส่วนพระราชาประส e ธิทรงน้อยพระไทยว่าได้ถวายทานอันมโหราณปานนั้นแต่พระศาสดาทรงอนุโมทนาเพียงสี่บาทคาถาเท่านั้นน่าจะมีอะไรที่ไม่สมควรเนกทานอยู่บ้างพระศาสดาคงจะทรงขุนเคืองพระไทยเป็นแน่แท้ พระราชารีบเสด็จไปสู่วิหารเฉตวันทูลถามพระศาสดาในเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าพระราชาได้ทรงกระทำชอบทุกอย่างทานนั้นได้นามว่าอาศิสทานแต่ที่ทรงอนุโมทนา น, น้อยก็เพราะหวังอนุเคราะห์กาละอัมมาต์พระองค์ทรงตรัสเล่าความคิดของอัมมาต์ทั้งสองให้พระราชาทรงทราบ พ, พระราชาทรงกลิวกาละอัมมาต์ ตรัสว่าเราให้ทานมากจริงแต่เราให้ของของเราไม่ได้เบียดเบียนอะไรท่านเลยฉะไหนท่านจึงเดือดร้อนปานนั้นดังนี้แล้วทรงเนระเทศกาละอมาตออกจากแควนตรัสเรียกชุนหะอมาตเข้าเฝ้าตรัสถามว่าจริงหรือที่มีความคิดอนุโมทนาทานที่พระองค์ทรงกระทาแล้วเมื่อชุนหะอมาตทูลรับว่าจริง ทรงชอบใจและเลื่อมใสจึงทรงมอบ ร, ราชสมบัติให้เขาครองเจ็ดวันและให้ถวายทานได้ตามประสงค์โดยทํานองที่พระองค์เคยทรงถวายมาแล้วพระราชาสเสด็จไปสู่สํานักพระศ า, าสดาอีกทูลว่าพระองค์ทรงดูการกระทําของคนพ่านเถิดเขาเหยียดหยามทานที่ข้าพระองค์ถวายแล้วถึงป่านนี้วงเล็บทรงหมายถึงกาละอามาตย์ พระศาสดาตรัสว่าคนตรนีไปเทวโลกไม่ได้คนพานไม่สันเสริญทานส่วนนักปราอนโมทนาทานอยู่จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะการอนโมทนานั้นมีในยะดังพรรนามาแล้วนั่นเละจบลงแค่นี้นะเรื่องการทำทานอันยิ่งใหญ่ของพระราชาเราเรียก อาสาทิสถานนี่ทานที่ในแต่และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนะี่ยมีฐานครั้งเดียวประราชาทำได้ครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีใครทำได้อีกมังก็มีทุกยุคทุกสมัยการให้ทานการทำดีก็มีคนชอบไม่ชอบเนี่ยคนไม่ชอบก็ได้รับผลของกรรมของเขา คนที่มีจิตใจแซมซื่เบิกบานนโมธนาไม่อึศยาเนี่ยเขาก็มีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตสิบเอ็ดโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงพระพุทธภาสิทธิ์ปทัพยาเอกรัชเชนะสักคัสสะขมเนนะวา สัพพโลกาที่ปัจเจเนโสตาปฏิพลังวรังแปลว่าโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าการไปสวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอธิบายความว่าโสดาปฏิผลนั้นเป็นอริยผลชั้นต่ำที่สุดในบรรดาอาริยผลสดังนั้นพึงทราบอาริยผลสี่ก่อนคือ 1. โสดาปฏิผลสอสกทาคามิผล 3. าอนาคามิผล 4. อรหัตผลผู้อย่างลงสู่อริยภูมิขั้นต่ำขั้นแรกที่สุดคือโสดาปฏิผลนี้ท่านเรียกว่าโสดาบันแปลว่าผู้เขาถึงกระแสธรรมแล้วไม่หวนกลับมาเป็นปุถุชนอีกปิดอบายสีได้คือไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเกิดในกำเนิด สัตว์ดิบาชาญเปรตและอสุรกายมีคติอันแน่นอนคือต้องได้ตัดสู้แน่นอนมีโอกาสสิ้นชาติพบโดยไม่นานนักอย่างช้าเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันคือมีความเคารพเลื่อมใสยอย่างไม่คลอนแคลนในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ พระโสดาบันนั้นแม้จะยังทำบาปอยู่บ้างก็จริงแต่ท่านไม่ปกปิดบาปนั้นและไม่ทำบาปชนิดที่ต้องไปอบายวงเล็บอัปปายคามีพร้อมกับการเห็นอริยสัจเป็นปฐมมัทสนานั้นพระโสดาบันละกิเลสได้สามอย่างคือ 1. สักายทิฐิความยึดมั่นในตัวตนความเห็นสังขารว่าเที่ยง 2. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในคุณพระราตนตรยัยและปฏิปทาให้ถึงนิพพานสามีลพัตตะปรามาตความรูปคำศีลและพศหรือวัดเพราะเหตุที่ละสักยธทิฏฐิได้พระโสดาบันจึงไม่ด่าตอบผู้ดา่าไม่ประหารต่อผู้ประหารไม่พยาบาทต่อผู้จองเวรวงเล็บทั้งทั้งที่ทราคะโทสะและโมหะยังคงมีอยู่ หมดความสงสัยในคุณของพระตัตนะไตรมั่นในคุณของพระรัตนะไตรความเลื่อมใสของท่านจึงไม่คลอนแคลนแม้จะต้องเสียชีวิตก็ไม่ยอมเปลี่ยนความเลื่อมใสศรัทธาพระโสดาบันจึงไม่เปลี่ยนาศาสนาไม่เข้ารีดในาศาสนาอื่นอันหนึ่งเพราะได้เห็นนิพพานด้วยตนเองแล้ววงเล็บแม้เพียงแวบเดียวก็ตามจึงหมดความสงสัยในปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานหรือให้ถึงความบริสุทธิ์ โดยทางนั้นองเล็บคกอทางมีองค์ดการยังไม่เห็นทางด้วยตนทำให้คำหาทางสเปสปะไปเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดจึงลูกคำศีลบ้างวัดบ้างคือบำเพ็ญวัดหรือรักษาศีลด้วยจุดมุ่งหมายอื่นเช่นเพื่อชื่อเสียงบ้างเพื่อเรียกร้องความนิยมนับถือบ้างเพื่อให้เทพเจ้าโปรดปรานแล้วจะได้ไปสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งบ้าง อาการอย่างนี้เรียกว่าสีลพัตตปรมาตวงเล็บจะเขียนว่าสีลพัตตปรมาตุก็ได้วสเร่องวิชาว์าาวาสินพระโสดาบันย่อมรักษาศีลและบำเพ็ญวัดด้วยจุดประสงค์ที่มุ่งตรงต่อนิพพานหรือเพื่อความบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่มีสีลพัตตปรมาตพระโสดาบันละอภิธานหกอย่างได้ อภิธานแปลว่าฐานะอันหนักคือการฆ่ามารดาหนึ่งการฆ่าบิดาหนึ่งการฆ่าพระอาหารหันต์หนึ่งการทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อหนึ่งและการทำสง์ให้แตกกันหนึ่งวงเล็บห้าอย่างนี้เรียกอนันตริยกรรมการไปเข้ารีดนับถือาศาสนาอื่น1รวมเป็นอภิธานหอภิฐานหแต่พระโสดาบันกลับทำในสิ่งอันตรงกันข้ามกับหอย่างนี้ เพราะเหตุที่พระโสดาบันมีศรัทธาอย่างแรงในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามมิให้ภิกษุสาวกไปรับบิณฑบาตในตระกูลของพระโสดาบันถ้าเขามิได้นิมนต์ไว้ดังที่เราเคยกล่าวกันไว้เป็นพระโสดาบันแต่ก็ขัดสนถ้าเขาไม่นิมนต์ก็เท่ากับไปเบียดเบียนทนํานั้นี่ ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้พระศาสดาจึงทรงแสดงว่าโสดาปฏิผลนั้นดีกว่าเลิศกว่าความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเลิศกว่าการบังเกิดในสวรรค์และเลิศกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงความเป็นต่างเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางต่ำสามอีกได้แม้จนถึงตกนรกก็ได้แต่ความเป็นโสดาบันย่อมมีคติอันแน่นอนสูงขึ้นไปโดยลาดับไม่กลับต่ำสามพระโสดาบันสามจพวก ในอังคุตรนิกายทศกนิบาทเล่มที่24หน้า129ทรงแสดงพระโสดาบันไว้สประเภทคือ 1. เอกพีชี 2. โกลังโกละสาสัตตกตุประมะประเภทที่หนึ่งนั้นแปลว่ามีพืชอีกครั้งเดียวคือจะต้องเกิดอีกเพียงครั้งเดียวก็ถึงนิพพานที่เป็นเช่นนี้เพราะมีปัญญาแก่กล้า แต่บา ร, รมีอย่างอื่นน้อยจึงไม่ขึ้นไปถึงสกทาคามีหรืออนาคามีเปรียบเหมือนสามเณรแม้จะมีปัญญามากเพียงใดก็ไม่อาจเข้าร่วมประชุมสังฆกรรมสังฆกรรมกับภิกษุได้เพราะยังไม่ได้อุปสมบทเพราะอายุยังไม่ถึง20แม้เป็นป ร, ริยนถึง9ประโยกก็ยังต้องประพฤติอยู่ในขอบข่ายของสามเณรอยู่นั่นเองแต่พออุปสมบทแล้วก็กลับเป็นผู้มีศักดิ์สูงในทันที พระโสดาบันประเภทโกลังโกละนั้นมีปัญญาปานกลางยังต้องท่องเที่ยวเกิดตายอยู่อีกประมาณ 2-3 ถึงชาติส่วนประเภทสัตตกขตุประมะนั้นมีปัญญาอย่างสามัญหรือต่ำจึงต้องใช้เวลาอีกหลายชาติแต่ไม่เกิน7ชาติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานนวโรรธทรงว้ายในธรรมวิภาคปริเสตที่สองหน้าที่36ว่า พระโสดาบันเอกพีชีออกจะดีกว่าพระสกทาคามีผู้จะต้องไปเกิดในเทวโลกหนหนึ่งก่อนจุติจากนั้นแล้วจึงจกมายังมนุษย์โลกนี้และได้บราารลุพระอรหันต์สำหรับผู้ใค่ในธรรมแลเห็นความทุกข์ในสังสารวัฏย่อมเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าโสดาปฏิผลดีกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอย่างแน่นอนเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถี ทรงปรารภนายกาลบุตรของอนาถบินิกะเศรษฐีมีเรื่องย่อดังนี้นายกาละแม้จะเป็นบุตรของอนาถบินิกะเศรษฐีก็จริงแต่หามีศรัทธาในพระัตนตรยัยเช่นเศรษฐีไม่เขาไม่ปรารถนาไปเฝ้าพระาศาสดาทั้งที่อารามและที่บ้านของตนไม่ต้องการฟังธรรมไม่ต้องการขวนขวายปฏิบั ต, บติบำรุงพระสงฆ์ แม้มารดาบิดาอ้อนวอนอยู่เนืองๆก็หาเชื่อฟังไม่อนาถบินฑิกะเศรษฐีผู้บิดาคิดว่าเจ้ากาละนี้เมื่อมีความเห็นผิดอยู่อย่างนี้จะต้องตกนรกอย่างแน่นอนเมื่อเรายังเห็นอยู่ไม่ควรที่เขาจะต้องตกนรกเราควรออกอุบายให้เขาได้มีความเห็นชอบก็บุคคลผู้ไม่อยากได้ทรัพย์ดูมันจะไม่มีในโลกนี้ เราควรทำลายทิฏฐิผิดๆแห่งบุตรของเราเสียเศรษฐีจึงพูดกับนายกาละผู้เป็นบุตรว่าพ่อเจ้าจงรักษาอุโบสถไปวิหารแล้วฟังธรรมเถิดเสร็จแล้วเราจะให้กหาปณะหนึ่งร้อยแก่เจ้านายกาละให้พ่อรับคำถึงสามครั้งกลัวไม่ได้ตังค์นะแล้วจึงยอมรักษาอุโบสถ ไปสู่วิหารอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาแต่หาได้ฟังธรรมไม่เขาเลือกนอนที่ใดที่หนึ่งอันพาสุขแก่ตนแล้วรุ่งขึ้นรีบกลับบ้านแต่เช้าตรู่ฝ่ายเศรษฐีเบดาของเขาเห็นลูกชายกลับมาก็รีบบอกคนใช้ให้นำอาหารอันประนีตมาให้โดยเร็วแต่นายกาละไม่ยอมบริโภคจนกว่าจะได้กหาปณ ะ, ะก่อนเศรษฐีจึงยอมมอบเงินร้อยกหาปณ ะ, ะให้ เขาจึงยอมบริโภคอาหารวันรุ่งขึ้นเศรษฐีขอให้เขาไปฟังธรรมและให้จำพระพุทธพจน์ให้ได้สักบทหนึ่งโดยยืนฟังต่อพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากทำได้ดังนั้นจะให้รางวัลหนึ่งพันหาปณะนะนายกาละรับคำด้วยความยินดีเขาไปยืนฟังธรรมเฉพาะพระพักพระาศาสดา พระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องที่นายกาละรับจ้างบิดามาฟังธรรมจึงทรงบันดาลให้เขาจำไม่ได้แม้แต่บทเดียวเขาจึงตั้งใจฟังมากขึ้นเพื่อจำให้ได้สักบทหนึ่งฟังไปฟังไปได้บรรลุโสดาปติผลพอรุ่งขึ้นเขากลับบ้านพร้อมภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมหาเศรษฐีเห็นแล้วลำพึงว่าวันนี้ลูกเราน่ารักจริงๆเราชอบใจ เมื่ออังคาดพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเศรษฐีก็สั่งให้อาหารแก่บุตรชายเหมือนกันนายกาละนั้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าขอบิดาอย่าได้ให้ทรัพย์แก่ตนเฉพาะพระพักของพระาศาสดาเลยและขอพระาศาสดาอย่าได้ทรงร่วงรู้ถึงเรื่องที่ตนรักษาอุโบสถและฟังธรรมเพื่อค่าจ้างแต่ความจริงเรื่องนี้พระาศาสดาทรงทราบแล้วตั้งแต่วันวาน เมื่อพระศ า, าสดาเสวยเสร็จแล้วมหาเศรษฐีให้คนวางห่อกหาปณะพันหนึ่งตรงหน้าบุตรพร้อมพูดว่ากาละนี่ค่าจ้างสำหรับเจ้าที่รักษาอุโบสถและฝังธรรมนายกาละรู้สึกละอายอย่างยิ่งจึงพูดว่าพ่อผมไม่รับกหาปณ ะ, ะเหล่านี้ดอกแม้บิดาจะอ้อนวอนหลายครั้งก็หารับไม่เศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้พระศ า, าสดาทรงทราบ พระพุทธองค์ตรัสว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะบรของท่านได้รับแล้วซึ่งสิ่งอันประเสริฐกว่าสมบัติแห่งจักรพัทิราชประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงนั่นคือโสดาปฏิผลดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นจักรพัทกว่าการไปสู่สวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงมีนัยยะดังพรรณน า, นา ม, มาแล้วแต่ต้น วรที่สิบสามชื่อว่าโลกะวัคาวันานารวมสิบเอ็ดเรื่องจบเพียงเท่านี้แต่ก่อนหนูสายอุบายต้องจ้างไปฟังธรรมจ้างไป น, น, นั่นเลยนะนั่นคือลักษณะของบัณฑิตลักษณะของผู้ที่มีปัญญาดยความปรารถนาดีมีเมตตาเนะี่ยแม่เขาจะแย่ขนาดนะั้นก็ยังคิดหาอุบาย จะให้เขาเป็นคนดีให้ได้เนี่ยแล้วก็ได้เป็นห่วงสงสารในอนาคตของเขากลัวเขาตกนรกกลัวเขาได้รับความลําบากในความรักของบิดามารดาเนี่ยแอบปรารถนาจะให้บุตรเป็นคนดีก็เลยหาวิธีหาอุบายอันนี้บทที่14ว่าด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าพุทธะวควรรณน า, นา 1. พระองค์ผู้ไม่กลับแพ้อีกพระพุทธภาสิยัสสะชิตังนาวสิยติชิตามัสโนโยาติโกจิโลเกตังพุทธมนันตะโคจรังอัปปังเกนะปะเทนะเนสถะยัสสะชาลินีวิสัติกาตันหานติโอหินจิเนตเวตังพุทธ มนันตะโคจรังอัปพหังเกณะปะเทณะเนสสะทัแปลว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะกิเลสได้แล้วไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยในโลกย่อมไม่หวนกลับไปหาความชนะของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอีกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดวงเล็บคือมียานกว้างไกลาหาที่สุดมิได้ทรงไม่มีร่องรอย เจ้าทั้งหลายวงเล็บมานจากนำท่านไปด้วยร่องรอยอะไรตัณหาประดุดตาข่ายซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเพื่อนำไปในพบนั้นบ้างนี้บ้างไม่มีแก่พระพุทธเจ้าองค์ใดท่านจากนำพระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้มีพระยานไม่มีที่สิ้นสุดผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรอธิบายความว่าในที่นี้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายคือ กิเลส ท, ทุกชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงชนะแล้วก็เป็นอันชนะโดยเด็ดขาดพระองค์ไม่กลับแพ้อีกกิเลสใดๆก็ไม่หวนกลับมาหาพระองค์ไม่สามารถทำให้พระองค์กลับแพ้ได้อีกเลยเพราะกิเลส ท, ที่ละได้ด้วยอริยมรรคนั้นเป็นอันสิ้นสุดเด็ดขาดไม่มีเจริญขึ้นได้อีกความชนะบางอย่างของชาวบ้านยังกลับแพ้ได้เสมอเมื่อมีเหตุปัจจัยให้ต้องทาเช่นนั้นอีกตัวอย่างเช่น คนที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วถึงหปี1ิปีก็อาจหวนกลับมาสูบได้อีกคนเคยติดเหล้าแล้วเลิกเหล้าได้หลายปีก็อาจหวนกลับมากินเหล้าได้อีกคนเล่นการพนันชนะก็อาจกลับแพ้ได้อีกคนบางมีแล้วอาจจนได้อีกเป็นต้นสิ่งทั้งปวงนี้ยังเป็นโลเกียยังไม่แน่นอนแต่การชนะกิเลสของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่นอนเด็ดขาด เมื่อทรงชนะมารแล้วก็ชนะอย่างไม่มีทางกลับแพ้ได้อีกแม้หลังจากตัดสรู้แล้วก็มีมารคอยมารบ ก, กวนเสมอแต่ต้องถอยกลับด้วยความเสียใจทุกทีไปเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิอะไรเช่นนั้นชัยชนะของพระองค์เป็นชัยชนะที่ลือกระชอนไปทั่วโลกตั้ง2500ปีเสร็จมาแล้วจนบัดนี้ยังมีคนซองสรรเสริญชัยชนะของพระองค์อยู่ พุทธศาสนิกชนทั่วโลกหรือแม้แต่ศาสนิกในศาสนาอื่นๆก็นิยมยกย่องชัยชนะของพระองค์เพราะพระองค์ทรงชนะสิ่งที่ชนะได้ยากทรงชนะสิ่งที่คนทั้งโลกยอมแพ้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันนั่นคือกิเลสมีราคะเป็นต้นพระองค์ได้ทรงเห็นโทษของกิเลสมีราคะเป็นต้นนั้นอย่างทองแท้ด้วยยานอันแสนคมแล้ว จึงไม่ปรารถนาเพื่อคุกกับกิเลสนั้นอีกสมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่เราจะได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์ได้เกิดความคิดขึ้นว่าอะไรหนอเป็นรสอร่อยในโลกอะไรเป็นโทษในโลกอะไรเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลกภิกษุทั้งหลายเราได้รู้สึกขึ้นมาว่าสุคสมมนัตที่ปราลบโลกแล้ว เกิดขึ้นนี่เองเป็นรถอร่อยของโลกแต่โลกเป็นของไม่เที่ยงทรมานมีการเปลี่ยนแป ล, เปลงเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในโลกการกระชากความกำหนัดย้อมใจเสียโดยสิ้นเชิงกําจัดความเพลิดเพลิอพอนออกเสียได้โดยสิ้นเชิงนี่เองเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลก ภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เรายังไม่รู้จักรสอร่อยในโลกว่าเป็นรสอร่อยไม่รู้จักโทษในโลกว่าเป็นโทษไม่รู้จักกุบายเครื่องออกจากโลกตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ชื่อว่ายังไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อใดเรารู้เมื่อนั้นเราจึงชื่อว่าได้ตรัสรู้พร้อมแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปเพื่อแสวงหารสอร่อยในโลกเราได้พบรสอร่อยนั้นในโลกรสอร่อยในโลกมีเท่าใดเราได้เห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเรานั้นแล้วภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปเพื่อแสวงหาโทษของโลกและอุบายเครื่องพ้นจากโลกวงเล็บคืออารมณ์อย่างโลกโลกเราได้พบโทษและอุบายเครื่องพ้นจากโลกนั้นด้วยปัญญาของเราเราจึงได้ ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมพระพุทธองค์ได้ทรงทราบอย่างแจ้งชัดว่าไม่เป็นการถูกต้องและปลอดภัยแต่อย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจะปล่อยชีวิตนี้ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและว่าไม่เป็นความดีอย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจําต้องเป็นผู้ซึ่งประเดียวสุขประเดี๋ยวทุกข์ขึ้นขนลงๆเหมือนเรือลําน้อยลอยในทะเลอันมีคลื่นลม พระองค์ได้ทรงทราบว่าเหตุที่ทําให้คนเราเกิดมาเพื่อกระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้นั้นเป็นเพราะคนเหล่านั้นหลงรักและหลงติดในความสุขอันเป็นมายาซึ่งเกิดขึ้นเล็กๆ น, น้อยๆเป็นครั้งเป็นคราวในโลกนี้พระองค์ได้ทรงเห็นว่าสพรพสัตวิติดอยู่ในบ่วงของการเวียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อติดบ่วงเพราะมันละโมบในเหยื่อเล็กๆ น, น้อยๆที่เขาวางไว้ล่อมัน และพระองค์ทรงทราบอีกว่าถ้าคนเราไม่ประสงค์จะติดอยู่ในบ่วงของการเกิดเช่นนี้แล้วก็มีทางทางเดียวเท่านั้นกล่าวคือการดับเสียซึ่งความตะ ก, กรามต่อความเพลิดเพลินทุกอย่างที่เราได้พบได้เห็นและไม่ปล่อยตัวให้ตกจมลงไปในสิ่งซึ่งยั่วยวนและไม่ปล่อยใจให้ทะเยอทยานไปตามสิ่งที่โลกนี้มีไว้ ย, ยั่วยวนมนุษย์อันว่าบุคคลที่เป็น โรคร้ายเรื้อรังมานานปีเมื่อรักษาโรคนั้นหายแล้วด้วยความพยายามของตนเองย่อมมีปีติปราโมทพยายามทุกอย่างเพื่อไม่ให้โรคนั้นเกิดขึ้นอีกฉันใดพระตถาคตเจ้าก็ฉันนั้นโรคคือกิเลสอันร้ายแรงเรื้อรังมาเป็นเวลานานา น, นับแสนชาติเมื่อส่งชนะได้แล้วก็ทรงรักษาความชนะนั้นวไว้มิให้กลับแพ้อีกอันหนึ่งบุคคลที่เคยถูก จับกลุมคุมขังได้รับความทรมานนานาประการอันเนื่องมาจากการถูกคุมขังนั้นเช่นต้องทำงานหนักต้องหิวกระหายขาดอิสรภาพเป็นต้นเมื่อออกจากที่คุมขังได้แล้วย่อมไม่ปรารถนาเข้าไปยังที่คุมขังอีกฉันใดพระตถาคตเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์ถูกคุมขังอยู่ในสังสารวัตรนี้เป็นเวลายาวนานสุดจะคานาได้ ได้รับความลำบากนานาประการเคยเจ็บป่วยด้วยโรคแทบทุกชนิดเคยประสบความผิดหวังเคยตกระกรรมลำบากเคยระหโกระเหินซอกซ้าเคยมาแทบทุกอย่างเท่าที่มนุษย์ผู้เวียนว่ายอยู่ในวงวัตจักนี้จะผึงได้รับบัดนี้พระองค์ได้ออกจากสังสารวัฏนี้แล้วฉนัยเล่าจะต้องหวนกลับเข้ามาอีกเพื่อทนทุกข์รมานต่อไป นามแห่งสังสารวัตรไม่อาจทิ่มแทงพระองค์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นความชนะของพระองค์จึงไม่กลับแพ้อีกทรงชนะอย่างเด็ดขาดทรงขุดรากแข่งกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่งอกเงยขึ้นอีกมารจากหลอกลวงชักนําพระองค์ไปในทางใดๆไม่ได้อีกแล้วตันหาผู้นําสัตว์ไปสู่พบพระองค์ก็ทรงทาลายเสียแล้วหมดอนุภาพไม่มีพิษอีกต่อไป พระองค์จึงอิสระและสูงส่งอย่างแท้จริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงปรารบธิดาแห่งมารตรัดไว้แล้วมีเรื่องย่อดังนี้พระศาสดาตรัสเล่าเรื่องธิดาแห่งมารที่พระองค์ได้ชัยชนะมาให้พราหมณ์คนหนึ่งชื่อมาคันธิยาชาวแคว้นกุรุแคว้นกุรุคือเดลีนครหลวงของอินเดียนในปัจจุบัน มีเรื่องดังนี้ในแคว้นกุรุนี้มีทิดาพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมาคันทิยาความงามของนางนั้นเรื่องลือไปไกลพวกพราหมมหาศาลคือพราหมณ์ที่ร่ำรวยและัติยมหาศาลคือพวกสกุลกษัตริย์ที่ร่ำรวยต่างอยากได้มาคันทิยาจึงส่งสารไปยังพราหมมาคันทิยาว่าข้าพเจ้าขอทิดาชื่อมาคันทิยาของท่านขอได้โปรดให้ธิดาของท่านแก่ข้าพเจ้าเถิด แต่พราหมณ์คันธยะไม่ยอมให้ใครตอบไปว่าพวกท่านไม่เหมาะสมกับธิดาของข้าพเจ้าต่อมาเช้าวันหนึ่งพระาศาสดาตรวจดูปณิสัยแห่งเวเนยนิกรที่พระองค์พอจะโปรดได้ทรงเห็นุปณิสัยแห่งอนาคามิผลของพราหมณ์มาคันธยะและพราหมณีจึงเสด็จไปโปรดขณะที่พระาศาสดาเสด็จถึงบริเวณบ้านของพราหมณ์นั้นพราหมณ์กําลังบูชาไฟยอยู่นอกบ้าน เขาเหลี้ยวมาเห็นพระทศพลตรวจดูรูปสิริของพระองค์ได้เห็นความงามแห่งพระรูปโฉมแล้วคำหนึ่งว่าใครอื่นในโลกนี้ที่จะงามเหมือนชายหนุ่มผู้นี้เราไม่เคยเห็นเขาเท่านั้นที่สมควรแก่ทิดาของเราเราจะมอบทิดาให้แก่บุรุษนี้เขาได้กราบทูลพระศาสดาว่าสมณะข้าพเจ้ามีธิดาอยู่คนหนึ่งงามมากข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นชายใดเหมาะแก่นาง จึงยังไม่ได้ให้ใครส่วนท่านนั้นเหมาะสมแก่ธิดาของข้าพเจ้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะมอบธิดาของข้าพเจ้าให้แก่ท่านเพื่อบำเรอเท้าของท่านขอท่านจงรออยู่ตรงนี้ก่อนข้าพเจ้าจะไปนําเอาธิดามาพระศาสดาทรงสดับคําของพราหมณ์แล้วไม่ทรงยินดีเลยแต่ไม่ทรงห้ามพราหมณ์นั้นรีบกลับไปเรือนบอกพราหมณีผู้เป็นภรรยาให้ทราบและให้ประดับตกแต่งบุตรีอย่างงามที่สุด แล้วรีบพาออกจากบ้านพระศาสดามิได้ประทับยืนในที่ที่พราหมณ์บอกไว้เพียงแต่ทรงประทับรอยพระบาทไว้เป็นเครื่องหมายแล้วเสด็จไปประทับเสียที่อื่นท่านว่ารอยพระบาทที่พระศาสดาทรงอธิษฐานและเหยียบไว้นั้นจะไม่ลบเลือนไปเพราะฝนตกหรือน้ำท่วมจะปรากฏแก่บุคคลที่พระองค์มีพระประสงค์จะให้เห็นเท่านั้นสมคนพ่อแม่ลูกรีบมา เมื่อไม่เห็นระศาสดาพราหมณีจึงถามว่าบุรุษผู้นั้นอยู่ที่ใดฉันสั่งให้เขายืนคอยตรงนี้พราหมณ์ตอบพร้อมทั้งชี้มือประกอบมองหาอยู่พบรอยเท้าจึงบอกพราหมณีว่านี่คือรอยเท้าของเขาผู้นั้นพราหมณีเข้าไปพิจารณาดูรอยเท้าเห็นแน่ชัดแล้วกล่าวว่านี่ไม่ใช่รอยเท้าของผู้บริโภคการ เพราะนางเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำราทานายลักษณะอวัยวะพรามติงว่าเจ้าพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนเห็นจระเข้นอนอยู่ในตุ่มน้ำสมณะนั้นเมื่อเราบอกว่าจะให้ที่ดาแก่เขาก็รับคำของเราแล้วพรามมณีกล่าวว่าท่านว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ฉันยืนยันได้ว่ารอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วอย่างแน่นอนดังนี้แล้วกล่าวย้าว่า รอยเท้าของคนเจ้าราคะเว้ากลางมากของคนเจ้าโทสะหนักส้นของคนเจ้าโมหะมีปลายจิกลงคือหนักทางปลายเท้ารอยเท้าเช่นนี้เป็นของคนผู้สิ้นกิเลสแล้วอย่างแน่นอนพรามดุพรามณีหน่อยหนึ่งว่าพูดมากแล้วพราธิดาเที่ยวตามหาพระาศาสดาจนพบได้บอกพรามณีว่านี่คือบุรุษผู้นั้น เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถูลว่าสมณะนี่ทิดาของเราเราขอมอบให้ท่านพระศาสดามิได้ตรัสในทันทีว่าเราไม่ต้องการธิดาของท่านแต่ตรัสว่าพราหมเราจะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งท่านจะฟังไหมฟังสิท่านพราหมรับเล่าไปเถิดพระธราคตเจ้าทรงเริ่มอัตชีวประวัติกาถาตั้งแต่ทรงสละราชสมบัติ เพราะทรงเห็นโทษของการอยู่ครองเรือนทรงเบื่อหน่ายกรรมาคุณสเสด็จออกมหาพิเนศกรมในราตรีหนึ่งทรงเผชิญหน้ากับมารที่ประตูนครมารห้ามการสเสด็จออกบรรพชาโดยยกเอาสมบัติบรมมาจักมาล่อบ่าอีกเจ็ดวันข้างหน้าก็จะได้ครองสมบัติบรมมาจักแล้วกลับเสดเถิดอย่าออกบรรพชาเลยแต่พระองค์ตัดว่าไม่ได้ต้องการสมบัตินั้น ถ้าอย่างนั้นท่านออกไปเพื่ออะไรมานถามเพื่อสัพพัญญุตะยานเราตอบถ้าอย่างนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะต้องติดตามท่านไปท่านจะต้องตึกในกามหรือพยาบาทหรือวิหิงสาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอานุภาพของเราดูก่อนพราหมณ์พระศ า, ศาสดาตรัสเล่าต่อไปตั้งแต่นั้นมามานก็คอยติดตามเราคอยจับผิดเราแต่ก็ไม่ได้โอกาสใดๆเลย ตลอดเวลา6ปีที่เราบำเพ็ญทุกรกิริยาจนกระทั่งเราได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยความเพียรอย่างยิ่งยวดหลังจากตัสรู้เป็นพุทธะแล้วในสัปดาห์ที่5เรากำลังเสวยวิมุติสุขอยู่ที่โคนไม้อัชภาและนิโครธสมัยนั้นมารได้มีความโทมนัสอย่างใหญ่หลวงนั่งรำพึงอยู่ที่หนทางใหญ่ว่าเราติดตามเข้ามาตลอดการนาน คอยจะผิดทุกอิริยาบทแต่ก็ไม่เห็นความพลั้งพลาดใดๆของศิทธัตถะนี้เลยบัดนี้เขาก้าวล่วงวิสัยของเราเสียแล้วเราทําเขาไว้ในอํานาจไม่ได้เสียแล้วทีนั้นที่ดาของมาร3คนคือนางตันหานางราคาและนางอรดใีให้ความหมายว่าน่าจะเป็นแสดงเป็นปุคลาธิฐานที่แท้ก็คือตัวตันหาความทยานอยาก ราคะความกำนัดและอรติความไม่พอใจนั่นเองเที่ยวหาบิดาอยู่เมื่อพบและได้ทราบความโถมนัดของบิดาแล้วจึงอาสาว่าจะทำเราให้อยู่ในอำนาจของเขาให้ได้เมื่อพยามารทักทวงว่าใครๆก็ไม่อาจทำสิท ธ, ธะให้อยู่ในอำนาจได้ทิดามานก็เฉลยว่าพวกเขาเป็นหญิงจะใช้บ่วงของราคะคล้องใจของพระสิท ธ, ธะแล้วนามาให้บิดาจนได้ นางทั้งสามก็ไปหาเราขออนุญาตบำเรอเราแต่เราไม่ได้ลืมตาดูเลยพวกที่ดามานคิดว่าความประสงค์ของบุรุษไม่เหมือนกันบางคนชอบเด็กวัยรุ่นบางคนชอบวัยสาวบางคนชอบวัยสูงอายุชอบสตรีที่มีบุตรแล้วก็มีจึงในระมิดหญิงจํานวนร้อยในวัยต่างๆแล้วเข้ามาประเล้าประโลมแต่เราหาได้สนใจไม่เราได้ไล่ให้ ไปทำกิริยาอาการอย่างนั้นแก่คนที่มีราคะจึงจะสำเร็จประโยชน์ส่วนเราละกิเลสได้สิ้นแล้วไม่กลับแพ้อีกเราได้กล่าวกับทิดามานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะกิเลสได้แล้วไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสแม้หน่อยหนึ่งในโลกย่อมไม่หวนกลับไปหาความชนะของพระพุทธเจ้าองค์นั้นอีกเป็นต้นท่านจากนาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีพระญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเล่าเมื่อเราเกล่าวดังนี้การตรัสรู้ธรรมได้มีแกเทวดาเป็นอันมากแม้พวกที่ดามานก็อันตรธานหายไปพระาศาสดาทรงนำอัตตสีวประวัติบางส่วนของพระองค์มาแสดงแก่พรามดังนี้แล้วตรัสว่าดูก่อนมาขันธยะ เมื่อก่อนนี้เราได้เห็นที่ดามานทั้งสผู้มีอัตภาพงามดังแท่งทองไม่แปดเปื้อนด้วยของโสโครกมีเสมหะเป็นต้นแม้ในการนั้นเราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเลยทำไม่เล่าเราจะพอใจในสรีระแห่งทิดาของท่านอันเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกคืออาการ32ดุดซากศพเหมือนหม้อใส่ของไม่สะอาดมองดูงามแต่ภายนอก อย่าว่าแต่เท้าอันสะอาดของเราเลยแม้ด้วยเท้าที่เปื้อนด้วยของสปกปรกเราก็ไม่ปรารถนาแต่ต้องสริระแห่งทิดาของท่านดังนี้แล้วตรัสย้ำว่าเมื่อได้เห็นนางตัญหาราคาหรืออรดีวงเล็บผู้งามเลิอดเกลี้ยงเกาาดุดแท่งทองเราก็ไม่ได้พอใจในเมถุนเลยเราจะพอใจได้อย่างไรในสริระแห่งทิดาของท่านอันเต็มไปด้วยมูดและกรีด ه, คือปัสวะและอุจจาระเราไม่ต้องการแตะต้องสรีระแห่งทิดาของท่านแม้ด้วยเทา้าเมื่อจบพระธรรมเทศนาพราหมณ์และพระมณีได้บรรลุอนาคามิผลในเหตุนิยนางมาขันธียาจึงได้อาคาราาุลเจ้าเจ็บใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจงกระตังว่าขอกอธิฐานไวา้านใจแล้วถ้าเราได้เป็นใจเมื่อไรจะแก้แค้นพระสวรรคโดมนี่ให้ได้ ه, คือ เขาเป็นคนงามที่สุดนี่มาติติงเขาว่าไม่งามนี่จะโกรธมากนี่เรื่องมันก็จะเป็นรวมอยู่ในเรื่องนางสามมาวดี